รือแก้งเห็นจริงตามขมเป็นจริงและปัญญาอีกสนิดหนึ่งนั้นรู้แล้วหลงลืมจดจำไม่ได้นั่นเรียกเป็นปัญญาของะวิชาเป็นปัญญาของขวอมไม่แน่นอนหรือเป็นปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะวิธีนี้จัว่วมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีมีทั้งดีมีทั้งผิดให้เราเข้าใจเกิดอย่าหลงตนอย่าลืมตัวดังนั้นที่ทำนี้บางคนว่าไม่มีในตำราหามาทำนั้นก็รินอยู่เช่นเดียวกันเพราะ คนผู้เช่นนั้นยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้ประสบออกกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้เรามีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่คือห น, น, นึ่งยืนสองเดินสามนั่งสี่นอนเรียกว่าอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เท่านั้นคนยังบ่นไม่พอ ท่านยังสอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิเละบุตรย้อยขู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยธี่โดยก็ให้รู้ทานว่าอย่างนั้นแต่เรามาทำเป็นจังหวะเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันระดับสติปัญญาทำเป็นจังหวะพลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวข่วมมือลงให้รู้สึกตัว ยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังให้รู้สิจัวมีจังหวะทำเรวที่เรียบบทย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหลโดยวิธีใดตัวให้รู้สิจัวแต่ไม่ให้นั่งนิ่งวิธีนี้อันนั่งนิงน่งไม่นั่งเรียกว่าสงบควรสงบก็มีอยูสองอย่างด้วยกันปัญญานี่ตั่วมียสองอย่างปัญญาที่รู้แล้ว ไม่หลงไม่ดูมอันปัญญาที่รู้แล้วหลงลืมไปบันทึกเอาไว้ไม่ใช่เป็นปัญญาตัวรู้ไม่ใช่เป็นปัญญาตัวสัญญาได้ทำหน้าที่ของมันอันนั้นมันเป็ น, เ ป, นเป็นปัญญาโมหะหรือเป็นปัญญาของอวิชชาดังนั้นเมื่อทำไปบางทีมันโงวง แต่ก็ต้องฝืนหย่าทําไปตามมาให้รู้สึกตัวเอียงซ้ายเอียงขวาให้รู้อ้อมเมอวให้รู้ให้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้นั่งนิ่งๆมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวทำให้รู้สึกจบควมรู้สึกตัวตัวนี้แหละเดี๋ยวสมาธิอันสมาธิก็คือคนตั้งใจมั่นนั่นเอง ไม่ใช่สมาธิเป็นนังนิ่งนิ่งอันนี้สมาธิคือควรรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวทําลงไปแล้วมันให้เกิดปัญญาติดตามอาการเคลื่อนไหวนั่นแหละรู้ขึ้นมาภายในจิตใจก็ปัญญาของอภิชารู้นั้นลูนี้ออกมัวกลัวไปเลยไม่ได้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับกวมคิด พ้อความคิดมันลาไปเหมือนแมวกับหนูแมวตัวเล็กหนูตัวโตแมวไม่เคยกลัวหนูหนูออกมาแมวมันจับพอดีหนูมันตื่นแมวจับมันผมวิ่งไปเลยแมวไม่ยองวางหนูมันก็ติดหนูไปเมื่อแล้วมันกว่างบ้างครั้งบางคราวมันก็ไม่คิดบางครั้งบางคราวมันคิดคิดแล้วก็เข้าไปในความคิดอันนี้ เรียกว่าเป็นอุปสรรคมันติดคมด่มคิดมานออกจากค่มคิดไม่ได้ไม่ใช่เห็นคิดอะไรนี่มันรู้คิดเรียกปัญญารู้คิดไม่ใช่เป็นปัญญาเห็นคิดอันมีแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เพราะมันเข้าไปในค่มคิดมันปรุงแต่งขึ้นมา นั่นเรีกว่าพอใจในอารมณ์ย ว, าวาอารมณ์ดีเราพอใจอารมณ์ไม่ดีเราไม่พอใจไม่ชอบดีอย่างน้นวิธีที่จะแป้มันต้องทำจังหวะให้แรงทิศซ้ายทิศขวาทิศมือข้วมือเอียงซ้ายเอียงขวาอ้มเหนื่อยทิศตาอาา้าปากแก่ใจจังดูไม่ได้ พอดีมันคิดขึ้นมาเราทําจังหวะกำมืเอเหยียดมือขึ้นมาหลายครั้งหลายผลเมื่อรู้สึกแล้วความคิดมันหยุดเมื่อรู้สึกแล้วความคิดมันหยุดเมื่อไม่รู้สึกหมือรู้สึกเล็กน้อยควมคิดมันลากไปอย่าทาให้แหลกเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันหยุดได้เมื่อมันหยุดความคิดได้แล้วก็คิดดูว่ า, าพระพุทธสอนเรื่อง สมุทัยในโรกน่ะทุกจ้องคำหนึรู้ท่านว่าคือตัวเคลื่อนโตไหวเนี่ยตัวอเรียบทเนหลยท่านสอนให้เรารู้มันเป็นตัวทุกโหลดทุกขังเรืคนไม่ไหวมันเคลื่อนไหวอยู่นะต้องดูมันให้มันรู้มันเป็นตัวคุกมันเป็นสภาวะทุกข์อันนี้จังมันไปอยู่ท่านถึงจะรู้มันก็ไปอยู่อย่างนั้นไม่รู้มัก็ไปอยู่อย่งนี้ว่าของแท้ ของจริงเป็นของเดิมแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกพันจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้น<อ>ู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้น<อ>ู้มันก็มีอยู่อย่างนั้นเนื้อทุกขงังอนิจจังอนัตตาเนี่ยเนื้อของจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกพันรู้ตามกของธรรมชาติของมันจริงๆบัด น, นี้เมื่อรู้ข่มคิดแล้วข่คมคิดมันถูกหยุด เมื่อยุดผมคิดได้เร า, าก็ดูผมคิดมังคิดมาข็รู้แต่อย่าไปเข้มกับผมคิดตอนนี้ให้ระวังให้ดีเพราะว่ามันอยากเกิดที่เสียบบ้างขยันบ้างที่เสียบบ้างขยันบ้างเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจแต่เราต้องทำหัวมู้สึกทำชาช้าจะอย่าซ่าเกินไปถ้าซ่าเกินไป มันก็ไม่ได้มันเป็นเพ่งถ้าไวเกินไปหรือเร็เกินไปมันหลงมันลรือ ม, ม, มันไปเพ่งอยู่ผมคิดไม่ให้จ่อคนคิดทำสบายสบายมันคิดแล้วก่อแล้วไปทําเอาเหมือนแมวกับหมูสมมติเอาหมูอยู่ในรูเมื่อมันออกมาหายใจข้างนอกหรือ ม, มาหาทีนข้างนอกแมวคอยจ้องอยู่ปากหมูปากรูหมูแต่อย่าให้หมูเห็น พอดีหนูออกมาแมวมาจาับปุ๊บอย่างแรงหนูซอกตายทันทีเพราะแมวมีกำลังหนูไม่มีกำลังแมวมีกำลังเพราะรู้สึกความรู้สึกเป็นอาหารของแมวความไม่รู้สึกนั้นเป็นอาหารของหนูเมื่อหนู เ, นเตี๋ยดังหาวิชาคอยลักลอบจอบออกมาความรู้สึกเป็นแมวไม่ต้องคอย สมมติเอาให้เห็นคนสุดกริตจะไปไหนมาไหนไม่ต้องแอบตีนใครจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้เมื่อคนสุดกริตทำการทำงานพูดคิดไม่เป็นคนโกหกไม่เป็นคนหลอกลวงคนโกหกคนหลอกลวงคนหาจินทางทุกขริตไม่อยากให้ใครเห็นแอบไปในทีมืดหมูเงิกับหมูนั่นเอง ถ้าทำอย่างนี้นะ่ะวิธีที่ทนะําแบบพลิกมือขึ้นให้รู้สึกขวมมือลงให้รู้สึกยกมือไปเอามือมาเบนหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพลิกตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวความมึกควคิดมันเกิดขึ้นใหม่รู้สึกตัวอย่างนี้รับรองได้ไม่เกินสามปีอย่างนานหนึ่งปีอย่างกลาง ้าสิบวันนับตั้งแต่ห น, นึ่งวันถึงเก้าสิบวันอาณาสง์ไม่ต้องพูดควมทุกประเภทที่สงสัยตายแล้วเกิดตายแล้วไปจบนรกตายแล้วไปขึ้นสวรรค์สิ่งทุกสิ่งที่มันมีปัญหาขัดแย้งอยู่ในตัวของเหล่านี้จะถูกทำลายไปพวกนี้จะลดน้อยไปคนที่มีปัญญาสามารถที่จะทำให้หมดได้ อันมือเลี้ยวอ่ะเป็นปัญญาของวิปัสนาถ้าผิดไปจากนี้เหลยเป็นปัญญาของวิปลาสท่า น, นอาจารย์เราอนนู้เนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญพราะปัญญาการจัดกิเลสอย่างละเอียดแล้วเข้าขั้นนี้แล้ววันนี้มันต้องรู้ไปตามขั้นตอนอันมือเนี่ยที่มันขาดออกจากกันมันมีประโยชน์คุณค่ามากที่สุดการทําความรู้สึกตัว น, นี่อาเนสง มันมากผิดการที่ว่ารู้อย่างผู้รู้รู้อย่างผู้ไม่รู้มันรู้อย่างนี้รู้แล้วไม่สงสัยไม่ห้องแวะสิ่งที่ขัดแย้งในใจไม่มีสิ่งที่ขัดขวางเป็นอุปสรรคขึ้นไม่มีเพราะไม่มีทุกยว่าดูเหนือทุกกินเหนือทุก นั่งนอนเหนือทุกไปมาเหนือทุกความทุกยิ่งต่างไม่ทันสมมติแต่ก่อนเราอยู่ป่าดงลึกๆมีสัตว์ลายมีเสือมีะขารแมงฝ่องมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ในนั้นเราไม่เห็นเราก็สงบอยู่ได้เมื่อเราเห็นก็กลัวขึ้นมาเนี่ยหาเครื่องกันเครื่องแก้ไว้อยู่ใงนั้นอันนี้เราหนีไปจากดงที่ลึกๆข้ามไป สมมติว่ามีคลองน้ำหรือมีอะไรเราก็หาวิธีว่ายข้ามไปข้างโน้นเมื่อเราข้าไปข้างโน้นสัตว์ร้ายมาตามตายตามเราไปไม่ได้เราก็ค้นภัยจากสัตว์ร้ายเหล่านั้นอันตรายจะตามเราไม่ได้อันนี้เมื่อปัญญา ก, กําจัดจิตเป็นยังไงดีเมื่อเราค้นภัยจากอันตรายเหล่านั้นเราจะภูมิใจยินดีในข่มรู้คมเห็นคมเป็นคนมมีของเรา เพราะเราคนไทยเราเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นอย่างนี้เพราะมันกลับคืนไปหมดแล้วอย่าไปดีใจอย่างนั้นให้เรามามองดูสภาพมันเป็นอะไรติดต่อกันมาเหมือนกับเราเดินทางมองดูมีหินมีตอไม้หรือมีอะไรต่างๆคอยสะดุดเราต้องดูแลกลับไปกลับมาทวนอารมณ์ รตอันที่ผมรู้จริงเนี่ยผมจะพูดความจริงให้ฟังนีย่ยใครจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ในขณะนั้นผมเดินเดียวเดินจมพมเดินไปเดินมามันหลุดตัวมันถ้าจะเปรียบอุปมาอุปมาเหมือนกับเรามีเข็มขัดนัดผ้าเราไว้ถ้าเราหลุดตัวออกไปหลุดตัวไปมก็หมดสิหมดผ้าผ้ามันก็หลุดออกจากเนื้อจากตัวเรา ไม่มีผ้าที่ไี้ที่ตัวเราจริงเพื่อนผ้าหลุดออกมากขาเบาตัวเบาทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่ผ้าจริงๆนะอันนี้เรียกว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตหุดพ้นแล้วในตำราเขาพูดอนยะ่างนั้นเมื่อจิตหุดพ้นแล้วอย่าย่อมเกิดขึ้นย่อมมีงานเกิดขึ้นย่อมมีเนี่ยอันนี้ เราไปเรียนตำร า, าเราไม่ปฏิบัติมันก็เลยไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็คิดพุ่งเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าหลุดจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันหลุดออกจากเราสิ่งนั้นมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีจริงๆเมื่อมันมีเราไปยึดไปถือเอาเรื่ออุปาทานนั่นเอง เมื่อเรามีอุปทานและวก็ยึดติดเท่านั้นดังนั้นคนติดนั้นจะไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้เมื่ออุปาทานมันยึดมันติดมันเป็นเครื่องผูกพันเราอยู่อย่างนั้นอาตมาหรือผมจะได้ให้ข้อคิดในวิธีการต่างๆที่เรามาเจริญสติหรือมาปฏิบัติธรรม คนส่วนมากมีความเห็นควมคิดความเข้าใจไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันแล้วท่านผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าเองตัดว่าทิฏฐิทิฏฐิก็หมายถึงแปลว่าความเห็นจะเห็นผิดก็ได้เห็นถูกก็ได้เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิก็เรียกว่าเห็นถูกต้อง เมื่อเป็นมิจฉาทิฐิก็เรียกว่าความเห็นผิดดังนั้นคนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็มีการทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมถกรรมฐานหรือเจริญนิพพานานั้นก็มีจุดหมายปลายทางเพื่อจะทำให้สิ้นทุกข์หรือให้หมดทุกข์นั่นเองคนเราเมื่อมีคนทุก คมเดือดร้อนแล้วก็ดินน้นรนกระเสือกกระสนหาวิถีทางที่จะทำให้พ้นทุกข์บางคนก็รู้จากวิธีทำให้ทานรักษาศีลเมื่อหมดเท่านั้นทางที่จะทำให้พ้นทุกข์บางคนก็มีความรู้หรือมีจิตใจคิดกล้าวหน้าต่อไป ก็เลยต้องไปทำกรรมฐานให้จิตใจสงบแล้วก็นึกอย่างนั้นว่าจะเป็นทางพ้นทุกข์หมดเท่านั้นบางคนก็จะนิปัจนาจะเป็นพุทโธก็ตามอลนาหารก็ตามนับหนึ่งสองสามหรือพองยุบอนาปาอะไรเหล่านี้เมื่อได้ความสงบแล้วก็เรียกว่าทางพ้นทุกข์ คิดว่าตัวเองได้เจริญนิัสสนาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นความสงบนั้นจึงมีสองอย่างคนสงบแบบหนึ่งนั้นสงบใกล้โมหะสงบแบบหนึ่งนั้นสงบด้วยปัญญาหรือการเห็นแจ้ง ความสงบแบบที่อาตมาจะนามาเล่าสู่ฟังในวันนี้คือความสงบแบบเห็นแจ้งทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอหรือทำความเห็นแจ้งกับความคิดความนึกอยู่เสมอเมื่อความเห็นแจ้งแล้วความไม่เห็นก็หายไปสมมุติมืออุปมาให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับเราไปที่มืด เมื่อละจุดไฟขึ้นแล้วความมืดหายไปอันความรู้แจ้ง น, น้อยๆความรู้สึก น, น้อยๆที่เราเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็าตามเรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอความรู้สึกอันนี้แหละจะสะสมเอาไว้<อ>เมื่อความรู้สึกอันนี้มีมากขึ้นมากขึ้น มันก็สามารถที่จะให้ลุกโพงความปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคนแต่ละคนเตะกับที่ว่าความแจ้งไลความมืดหนีได้ความไม่รู้เมื่อเกิดควมรู้ขึ้นมาแล้วความไม่รู้ก็หายไปมันหายไปเองโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้อง พาดสันอะไรทั้งหมดเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้ว่าการทำความรู้แจ้งทำความรู้สึก น, นน้อยนี่แหละมันสามารถไล่ความมืดหนีได้เนือว่ามีบุญมีกุศลมีอนิสง์มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าเอง ก่อนที่จะได้เป็นพระพเจ้านั้นก็ต้องมีความรู้สึกเมื่อความรู้แจ้งอันนี้เมื่อมีความรู้สึกความรู้แจ้งอันนี้มันก็ปรากฏขึ้นในจิตในใจของทุกๆคนเพราะการทำอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นความสงบไม่ใช่เป็นนั้งหลับตาอยู่อย่างที่สอนกันว่า จะเลยวิปัสนาแบบนั้นจะเลยวิปัสนาแบบนี้อันนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าทูกแบบนั้นกับทูกแบบนี้มันทูกไม่เหมือนกันทูกแบบนี้มันทูกแบบการเห็นแจ้งมันทูกแบบไร้ขมมืดหนีหรือมันทุกแบบไร้ามหลงผิดหนีได้อันนี้เรียกว่าไม่ใช่ทำขมสงบทำขมเห็นแจ้งทำขมรู้จริง ทำความสว่างเกิดขึ้นภายในจิตในใจหรือในชีวิตของตัวเองไม่ได้มีความมืดแต่ที่จริงแล้วความมืดมันก็ไม่ได้มีมันมาผ่านเอาเส่วอคล้ำเสื้อ ข, า ว, ขาวเท่านั้นดังนั้นคนเราจึงไม่สนใจที่ตรงนี้ก็เลยไปติดเอาความสงบเมื่อเป็นนั่งทำให้ใจิตใจสงบแล้วก็เข้าใจว่าอันนั้นถูกต้อง มันก็ทูกอยู่เหมือนกันทุกแบบนั้นมันไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นคำสอนของพวกอาลาดาบทอุตระกาดาบทแต่เมื่อสมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อบวกเข้าไปก็ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่กับสองอาจารย์นี้อาจารย์คนแรกสอนให้ได้สมาบัติเจ สมาบัจเจทนั้นใครใครก็รู้ว่าลูกสารสีอารมูปสาร <S <S สารมเมื่อได้ลูกสารอารมูปสารก็เข้าสารออกสารได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกันกับอาจารย์แต่ความหลงผิดรู้ความสว่างภายในจิตใจในั้นยังไม่เกิดความหลงผิดยังมีอยู่เมื่อยังมีความหลงผิดอยู่ก็มีความสงสัยลังเลอันนั้นก็เรียกว่าทุกข์ เมื่อได้สมาบัติจิตแล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่ถามอาจารย์ก็ว่าหมดความรู้ไม่มีความรู้จะสอนต่อไปก็เลยไปเรียนจากอาจารย์คนที่สองคืว่าอุทกกดาบุตรเรียนกับอาจารย์นี้ก็ได้สมาบัติแปดเมื่อได้สมาบัติแปดนั้นใครๆก็รู้ว่าลูกสานสี่อาลูกประสานสี่เมื่อได้ จะมันบแปรเข้าสานออกสานค่องแพ่ว่งไวเหมือนกันกันกบอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความหลงผิดก็ยังมีอยู่ได้แต่ความสงบความเห็นแจ้งก็ยังไม่ปรากฏเมื่อยังไม่ปรากฏอย่างนี้ถามอาจารย์ก็ว่าหมดความรู้เมื่อหมดความรู้แล้วพระองค์ก็ยังลาอาจารย์มาทําทุกกะกิริยาอยู่คน เดียวกับพวกปัญจวัคคีทั้งห้าเป็นหกกับพระองค์อันนี้ก็เรียวกว่าทิฏฐิคือไปขั้นลมหายใจไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่พูดไม่คุยกับใครกินข้าวน้อยที่สุดเท่ากับเมล็ดงาเนี่ยอันนี้ก็เรียวกว่าทิฏฐิยังไม่มีการเห็นแจ้งยังไม่มีการรู้จริงอันนี้เพียงทำไปตามความเห็นเท่านั้น ดังนั้นการทําความรู้สึกนี้ตอนที่พระองค์กินข้าวนางสุตดาแล้วโน่นใครใครก็รู้แต่พูดนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องกินมะขามป้อมมกสมอผลไม้เหล่านั้นไม่ต้องพูดก็ได้เมื่อพระองค์กินข้าวนางสุตดาแล้วมาทําความเพียรทางจิตทางใจอยู่ที่ต้นโพทำความรู้สึกกับชีวิตจิตใจของตัวเอง สะสมความรู้สึกน้อยอันนี้แหละก็เลยปรากฏขึ้นเสมือนว่าไล่ความมืดหนีได้มีแต่ความสว่างความเห็นแจ้งความรู้จริงอันนี้เรียกว่ารู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่รู้จารู้จักดังนั้นความรู้จํากับความรู้จักกับคนรู้แจ้งคนรู้จริงนี้ตีรู้นี่แหละมันควรให้เข้าใจเอาไว้ ี่แรกมันจำเป็นต้องรู้จำรู้จักตามครูบาอาจารย์หรือปู่ย่าตายายสอนให้แล้วมาทำความรู้แจ้งความรู้จริงนี้ปรากฏเกิดขึ้นก่อนที่จะปรากฏเกิดขึ้นพระองค์ทำความรู้สึกในน้อยอันนี้สะสมขึ้นสะสมขึ้นเหมือนกันกลับที่ว่าจุดไฟไล้ความมืดออกไปได้ อันนี้แหละความทุกข์จริงว่าหมดได้ความทุกข์จริงแล้วมันไม่มีมันไม่มีเลยเราไปเข้าใจว่ามีความทุกข์มีความโกรธมีความโลภมีความหลงเราเข้าใจอย่างนั้นความจริงแล้วความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงไม่มีตอนที่จะมีความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงนั้นคือไม่มีการเห็นแจ้ง